ท่านังที่เคารพคะในวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยมาข้าบูชา น, นะคะแต่อย่างไรก็ตามรายการของเราก็ทุกอย่างในรายการเหมือนเดิมทั้งหมดค่ะพระคุณเจ้าในช่วงของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะคือพระอาจารย์ไพบูลอภิปุณโญก็ยังมาพบกับท่านผู้ฟังนะคะนมัส ก, การกับท่างคะอาจารย์บอลค่ ะ, yeah, คะเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะท่านอาจารย์ไพบูลก็เช่นเดียวกับท่านมาร์กนะคะเพิ่งกลับจากอินเดีย สดสร้อนๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองอที่นู่นเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ร้อนหรือเย็นคะเพะอากาศเริ่มปเปลี่ยนจากฤดูหนาวปลายปายฤดูหนาวจะเข้าสู่ฤดูร้อนค่ะท่านไปทั้ง4ี่สังเวชนิยสถานเลยใช่ไหมคะใช่ใ ช, ใ, ชในเวลาเพียงแค่5วัน5วันหวันสี่คืนเป็นการเดินทางที่เหนื่อยไหมคะจะว่าไปการเดินทางก็คือต้องเดินทางต่อเนื่องกันตลอดเพราะฉะนั้นถ้า เราก็ต้องรักษาสุขภาพในการเดินทางจุดมุ่งหมาย <c oughs> คือหัวใจหลักของคณะของท่านอาจารย์ที่ทราบว่าไปกัน30บกว่าคนเนี่ยนะคะ <c oughs> เดินทางไปมีความแตกต่างกับคนที่เข้าไปสังเวชนิยสถานคณะอื่นๆไหมคะสังเวชนิยสถานเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตรัส ก, กับพระาอานนท์ก่อนที่เป็นพูดพ้ดํานาก่อน พระนนท์เนี่ยถามา พ, าพระพุทธเจ้าปรารบเหตุที่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงถึงจะเจอภิกษุที่น่าเจริญใจที่มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคอยู่ครับพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วจะเจอภิกษุเหล่านี้ได้ยังไงใช่ไหาพระนนท์ก็เป็นห่วงเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าพูดถึง4สถานที่นี้ว่าถ้าใครมีศรัทธานะไปสู่4สถานที่นี้แล้วให้เห็นให้เกิดความสังเวชนะก็มาได้ก็จะเจอภิกษุเหล่านั้นได้แบบนี้ เพราะฉะนั้นทมให้เราพบว่าถ้าคนที่ไปเขามีศรัทธาคนที่ไปเขามีความสังเวชในใจบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่น่าเจริญใจในการได้พบได้เห็นค่ะทราบว่าทั้งคณะนี่พูดกันแต่พุทธว จ, จนะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรายิ่งโดยการไปปฏิบัติบูชาไปทรงสุตะสังสมสุตตะด้วยการเอาคำพรชเจ้ามาบอกกล่าวเนี่ยก็จะเป็นการดียิ่งขึ้นค่ะท่าจันคะ แต่เนื่องจากว่าการเดินทางนี่ไปแบบครบทุกสังเวแล้วก็อยากให้ท่านทฟังที่ฟังรายการนี้เนี่ยได้ฟังแบบครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างเป็นระบบด้วย<ช>จะขออนุ ญ, ญาตถามท่านสัปดาห์หน้าได้ัหมคะได้ก็สัปดาห์หน้าเราจะมาค่อยคุยกันใ น, นรายละเอียดค่ะนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเหตุผลที่ว่ามีท่านฟังที่ได้ส่งอีเมลไปทางเว็บไซต์เพียวธรรมะคอ 106ของท่านอาจารย์ไพบูรณ์อภิปุนโนเนี่ยนะคะตกค้างอยู่หลายท่านเดี๋ยวจะคอยกันนานอเอ๊ะวันนี้เป็นวันหยุดเชยมาค่าบูชาใช่ๆๆมีการย้อนไปถึงอดีตก็จะต้องนึกถึงคราวที่มีพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้ทั้งหมดเป็นพระอาหารหันต์พันสรรูป ม, มารวมกันอยู่ที่เวลุวันใช่ไหมคะ ท่านได้ไปไหมคะไปอินเดียเท่านีออ้ไม่ได้ไปไปแค่สีสังเวชเีสถา น, น, นเบรุบ<อ>ันเส้นทางเป็นเบรุบันเนบอยู่ที่เมืองราชครึกเป็นวัดที่พระชาติพิมพิสารได้สร้างถวายให้เป็นวันแรกค่ะ เ, ออเหตุผลที่ต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่ามีคําถามของท่านผู้ฟั ง, ฟงสอดคล้องเกี่ยวกับวันมาคบูชาที่เราเพิ่งผ่านมาเนี่ยนะคะ<ๆ>แล้วก็ในส่วนของตัวเองก็มีความสนใจด้วยในแนวทางของพุทธวัจนะเนี่ยอยากทราบว่าจากการศึกษาพุทธวัจนะ มีพบไหมคะว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเหตุการณ์หรือข้อธรรมที่มันเกี่ยวข้องกับวันมาค้าบูชาที่เพิ่งผ่านมาและถ้ามีเน่เป็นอย่างไรคะ เ, เรื่องเกี่ยวกับวันมาคบูชานี่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าไว้เองว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดถึงประวัติของตัวเองนะว่าโลกนี้เกิดที่ไหนใครเป็นพ่อเป็นแม่ใครเป็นอุปทาใครเป็นอัออราาครสาวกซ้ายขวาชื่ออะไรต่างๆนี่แล้วก็ตรงนั้น ในข้อตรงนั้นเนี่ยจะมีเรื่องหนึ่งบอกว่าการประชุมนะจะตรงจตรงคสนิบาทเนี่ยสานิบาศสงสังฆสานิบาศของพระผู้มีพระภาคเนี่ยจะเกิดขึ้นกี่ครั้งมีใครร่วมบ้างเป็นพระกี่องค์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงพระองค์เองเนี่ยว่าอาจจะมีสังฆสานิบาศอยู่1ครั้งแล้วก็ในครั้งนั้นเนี่ยจะมีพระสงฆ์1250รปร นะนี่ oh. ก็คือวันมาคาบูชาที่ที่เพิ่งผ่านมาอ๋อ oh, ท่านในพุทธวจนะนี่เป็นการตรัสไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ตรัสก่อนหรือหลังนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกเอาไว้แต่บอกว่ามีสังคสันิบาตอีกหนึ่งครั้ง oh, <okay. S 2> แล้วก็ได้พยากรณ์ถึงพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆด้วยในโอกาสนั้นเลยใช่ว่า <Okay. S 2> พระพุทธเจ้าที่ผ่านมานะกษัสริยหรือว่าคนอาคมณะคือองค์ปัจจุบันเนี่ยคือโคดมแล้วองค์ก่อนๆเนี่ย มีใครเป็นสาวกอะไรครสาวกซ้ายขวามีใครเป็นอุปถาคมีสังฆระสันนิบาตกี่ครั้งแล้วก็แต่ละครั้งมีสงฆ์กี่องค์ได้พูดไว้ถ้าอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยสอดคล้องกับคำถามของท่านผู้ฟังที่ได้ส่งไปเลยนะคะก็คือคุณรินนาบอกว่าฟังรายการเนี้ยทุกเช้ามีคำถามถามว่าเคยศึกษาพบในสมัยพุทธกาลมีพระผู้มีพระภาคอราหันต์ัตสา ม, มาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้น7พระองค์ แต่ละพระองค์มีการประชุมและมีสาวกมาประชุมกันมากน้อยลดหลั่นกันตามลำดับใช่ปุชชาคือคำถามนะคะข้อที่หนึ่งทำไมจำนวนสาวกจึงลดลงเรื่อยๆจาก 6.8 ล้านแสนรูปโหเยอะขนาดนั้นเลยค่ะเหลือ 1,250 รอูปมีในยะธรรมะอะไรแฝงอยู่เจ้าคะเรื่องเรื่องตัวเลขนี่ก็แล้วแต่บารมีของแต่ละพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ค่ะนก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อน หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยคือสมณโคโดมเนี่ยได้ตรัสถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆว่าการประชุมสังฆสันิบาตเนี่ยการประชุมสองทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมีกี่ครั้งครั้งนั้นมีกี่รูปและเสานั้นเพราะฉะนั้นอ า, อายุคนของแต่ละยุคสมัยก็ไม่เท่ากันสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกันเลยจะยกตัวอย่างให้คุณสรนสนีทราบว่าในยุค ป, ปัจจุบันอย่างเนี้ย <Okay. S 1> เรามีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมากมายจริงๆ <Okay. S 1> พระพระทุทธเจ้าพูดถึงโรค ที่หัวโรคที่สีสษะโรคอะไรต่างๆเนี่ยแต่มีอยู่สมัยหนึ่งที่คนเนี่ยมีโรคแค่ไปเข้าห้องน้ำทายอุจจาระทายปัสสาวะความหิวก็ไม่มีความกระหายก็ไม่มีเหลือไม่มีการมาเป็นโรคปวดท้องโรคที่ลาไส้โรคที่อะไรต่างๆเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆไม่เหมือนกันนี่ก็เป็นนัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้เหมือนกัน S <S มันก็ไม่เท่ากันก็แค่นี้เองอ๋อ น, นี่ก็เท่ากับว่าไม่ได้เหตุการณ์เกิดขึ้นในคราวของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าสมณาคโคโดงของเราแต่อันนี้พูดถึงจากเจงค์เลยที่ผ่านมาใช่ไหมคะ<ช>ว่าในสมัยพระองค์นึงเนี่ยมีถึง6ล้านกว่ารูปที่เป็นสาวกแต่พ อ, พอมาถึงสมัยนี้ในช่วงวันมาคะบูชาชครั้งพุทธกาลเนี่ยมีสาวกที่เป็นพระอรหันต์ที่เป็นเอหิภิกขุ พระพุทธเจ้าบวชให้พันสรูปถูกต้องคําถามถัดมาของคุณรินนาบอกว่าพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคอรหรันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าก็ลดลงด้วยจาก 80,000 ปีเหลือแค่100่งร้อปี ใ, ในยุคพระตถาคตหมายความถึงอายุไขของมนุษย์โลกด้วยหรือเปล่านนก็คงจะอันนี้ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าคําว่าตถาคตก็ดีทาว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเนี่ยเป็นตําแหน่งนสมมติอย่างในบริษัทเนี่ยคุณมีซีอีโอซอเนี่ยเป็นตําแหน่ง นายกจะมาเป็น c e o ก็ได้นายขอจะมาเป็นซีอก็ได้ถ้าเขามีคุณสมบัติพอถ้าเขาค <Okay. S 2> ุณสมบัติพอถ้าเราะฉะนั้นใครละ่ะจะม า, ะาคุณสมบัติพอถ้าเขาคุณสมบัติพอถ้าเขาคุณสมบัติพอย่าเขาคุณสมบัติพอถ้าเขาคุณสมบัติพอถ้าเขาคุณสมบัในพะมหาะมีคุณสมบัติพอย่านโโี้คุณสมบัติพอถ้ า, าเข า, าคุณสมบัตินนตนะนั้นในยุคสมบัติพอถ้าเขาคุณสมบัติพอถ้าเขาคุณสมบัติพอถ้าเขาคุณสมบัติพอถ้าเขาคุณสมบัติพอถ นะมีคุณสมบัติเพียบพร้อมนะก็เป็นพระพุทธเจ้าได้คือพระพุทธเจ้าพระองค์ที่เรารู้จักกันใกล้ชิดมากที่สุดชื่อสมณะโคดมคเป็นพระพุทธเจ้าเพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าองค์อื่นใช่ไหมก็มียุคสมัยไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าองค์อื่นเนี่ยก็มีอายุ8 0,000 ปีบ้าง4ี่0 0ื่ปีบ้างนะเรื่องนี้พระพุทธเจ้าคือสมณะโคดมเนี่ยได้พยากรณ์เอาไว้ว่าหลังจากที่ยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยนะอายุมนุษย์เนี่ยก็จะลด ลดลงเรื่อยๆจาก 80,000 ปีเพราะว่าคนทําเรื่องราวไม่ดีต่างๆทำปานาติบาตบ้างอายุคนก็ลดมาเหลือ 20,000-40,000 ปีเพราะว่าทําการฆ่าสาัตว์บ้างอายุคนก็ลดมาเหลือ 20,000 ปีตามลําดับไล่ลงมาลดมาเรื่อยๆลดมาเรื่อยๆจนเหลือ100ปีปัจจุบันแล้วก็จะไปถึงสมัยที่คนมีอายุ10ปีอายยั ง, งลดลงไปอีกผู้หญิง5ปีก็มีบุตร นะแล้วหลังจากนั้นจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสัทธันตรกับคือการสู้รบกันอย่างต่อเนื่อง7วันเคืนพรนะพุทธเจ้าพยากรไว้อันนี้สัทธันตรกับคือการสู้รบกันอย่างต่อเนื่อง7วันคืนไม่มีหยุดเป็นการที่ทุกคนเนี่ยมีอาวุธอยู่ในมือแล้วก็ฆ่ากาันอย่างกับปลาฆ่าปลาฆ่าเนื้อนะไม่มีการบอกเลยว่าเป็นพ่อแม่เป็นอะไรทุกคนฆ่ากันหมด <Okay. S 2> แล้วก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ แยกออกไปเพราะว่าเห็นกลัวสัตว์สันติระกับก็แยกไปอยู่ในถา้าตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รอดพ้นมาได้ก็พอพ้นผ่าน7วันไปก็เห็นว่าโอ้ตายแล้วคนทำไม่ดีก็เลยมีเหตุการณ์นี้เราอยากนน้นเลยมาตั้งใจทำความดีดีกว่าก็ตั้งใจทำความดีคนก็อายุยืนขึ้นนะจากสมัยที่คนอายุ10ปีเนี่ยวันเนี่ยนะไป10ปีเนี่ยก็เป็นสมัยที่คนเจริญขึ้นเรื่อยๆจนคนมีอายุ 80,000 ปี กลับไปอีกครั้งหนึ่งถูกต้องค่ะเพราะถึงสมัยนั้นเนี่ยสมณโคดมก็พยากรณ์ว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้ก็คือพระพุทธเจ้าชื่อเมตยะอ่าตรงนั้นอ๋อพระที่เขาพูดกันว่าพระศรีอริยเม่ไตรนี่ก็คือองค์เดียวกันใช่ไหมถูกต้องพระพุทธเจ้าเมตยะใช่อันนี้เท่ากับว่าท่านจะมาเกิดต่อเมื่อคนทําดีแล้วมีอายุ 80,000 ปีท่านผู้ฟังค่ะ ต้องกลับเรียนถามว่าพอจะคํานวณได้ไหมคะว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในอีกกี่ปีข้างหน้าค ะ, ะพยากรณ์ได้ยากมากเพราะนั่นอาจจะมาถึงบอกว่าถ้าคุณเจอพระพุทธเจ้าตอนนี้แล้วคําสอนก็ยังมีอยู่เนี่ยอย่าประมาทเลยเร่งทําเลยไม่ต้องรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปอ๋อทั้งนี้และทั้งนั้นที่ท่านจันกล่าวนี่ก็คือเพื่อที่จะให้ทราบว่า ไม่จําเป็นต้องรอไม่จะเป็นต้องรอแต่ความไม่ดีเนี่ยจะทําให้โลกวุ่นวายทําให้คนอายุน้อยลงใช่มันตอนนี้อยู่สมัยเสื่อมเราลองคิดดูง่ายๆสิปีที่แล้วมีไม้สายเดี่ยวค่ะไม่มีมีอย่างมากมินิสเกิร์ตเหนือไหมดูเดี๋ยวนี้มันไปถึงไหนตอนไหนกันแล้วคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมีไม่มีสายเลยก็มีนะคะท่านที่เป็นเขาเรียกว่าผ้าแถบถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะท่านจะเห็นที่มีผ้าพันๆๆๆแล้วก็เน็บเอาไว้ที่ ที่หนะ้า อ, อกด้านหนึ่งแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยเหมือนกับสภาพอากาศบ้านเราอาจจะร้อนก็เป็นการพันกายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ<ช>แต่มันไม่ได้สอนายะต้องการโชว์ความเซ็กซี่เหมือนกับสายเดียวใช่ค่ะนะคะดังนั้นคำถามนี้เราก็ได้คำตอบที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าถ้าท่านเชื่อในพระพุทธองค์นะคะพุทธธรรมนาย ได้ทรงทํานายไว้พอจินตนาการกับเหตุการณ์ปัจจุบันมันก็เห็นคล้ายๆเหมือนกันว่าเออโลกมันก็เริ่มวุ่นวายมากขึ้นใช่พวกเราก็ต้องพยายามที่จะสู้กันมันฝืนได้ไหมคะว่าเอาความดีสู้คือตรงนี้พระพุทธเจ้าปราบเหตุของความวุ่นวายของความที่อายุมนุษย์เสื่อมลงเนี่ยเพราะว่าอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงค่ะกุศลธรรมเช่นอะไรบ้างคนผิดศีล ค, คนอ่า พูดไม่ดีทําไม่ดีไม่มีคุณธรรมเช่นการเคารพตามฐานะสูงต่ําไม่เห็นความเป็นบิดามารดาอะไรต่างๆไม่เคารพ บ, บิดามารดาพวกนี้เป็นคุณธรรมที่ดีซึ่งพอคนไม่เอากันมากขึ้นเนี่ยอายุมนุษย์ก็เสื่อมลงความเสื่อมก็มีขึ้นค่ะ<า>คือถ้าอาจารย์นี่ตอบคาถามคุณรินารวบไปหมดเลยนะคะเพราะว่าคุณรินาก็ถามว่าพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปเนี่ยมีอ่า บอกไว้ล่วงหน้าคือพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ล่วงหน้าหรือไม่ทีนี้ถ้าจารย์คะที่อาจารย์พูดเนี่ยมันสอดคล้องกับบทวิจารณ์ในบทความในหนังสือพิมพ์เพิ่งอ่านมา mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของมาคบูชากับสันติภาวะ mm hmm. ในชีวิตและสังคมคือเขาก็พูดถึงว่าในสังคมทุกวันนี้เนี่ยบางทีโดยตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการ หรือไม่ตั้งใจก็ตามทีเนี่ยเราได้ประพฤติในสิ่งที่ทําให้ชีวิตพวกเราเดือดร้อนวุ่นวายกันมากขึ้นอันนี้ไม่ต้องมองไปถึงว่ามันจะเป็นผลทําให้คนอายุสั้นอายุยืนเลยนะคะแล้วก็ใช้อนุสติจากกรณีที่เป็นเทศกาลมาคบูชาเนี่ยว่าให้นึกถึงคําสอนของพระพุทธองค์แล้วเราก็จะได้พบว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้สอนสันติภาวะทั้ง ภายในแล้วก็ทั้งสังคมคือส่วนใหญ่เขาบอกบางทีมีคนกล่าวหาว่าศาสนาพุทธเนี่ยมักจะมุ่งเน้นให้คนสนใจแต่ตัวเองอคือเอาสันติในตัวเองใช่ไหมคะสอนให้ปฏิบัติอยู่กับลมหายใจอย่างโน้น อ, อย่างนี้อืแต่เขาก็บอกว่าไอการที่เราปฏิบัติภายในเนี่ยมันก็ส่งผลกับสันติภาวะของสังคมได้ถ้าอาจารย์คิดยังไงคะถูกต้องแน่นอนเพราะว่าคนที่ปฏิบัติภายในเนี่ยอย่างน้อยเขาไม่พูดปดไม่พูดปดคนอื่นไม่เดือดร้อน ไม่ค่าสัตว์ไม่ค่าสัตว์ส <คะ S 1> ัตว์ตก็ไม่เดือดร้อนไม่ประพฤติผิดในกาเอา้าคู่ครองคนหนึ่งเขาก็ไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นถ้าจะมาติเตียนคนที่ปฏิบัตินั่งดับตาดูหนังตาอยู่เนี่ยมีสติหายใจเข้าหายใจออกอย่างที่ท่านผู้ฟังทําอยู่ขณะนี้เนี่ยจะมาติเตียนด้วยเรื่องสีนเนี่ยติเตียนไม่ได้เลยค่ะแล้วถามแค่ง่ายๆว่าถ้าสีนเนี่ยเอาง่ายๆเลยศีหน้ธรรมดานี่ทุกคนมีกันหมดเอาไม่ต้องทุกคนก็ได้เอาแค่ 80% ซในประเทศไทย <c oughs> ไม่อาทัวร์โล่เอาแค่ประเทศไทยคดีความในศาลจะลดลงบานเลย <c oughs> มาแต่มามีเพื่อนที่เป็นผู้วิพักษาเนี่ยก็บอกว่า ม, มันก็มีแต่เรื่องสี่ห้านะพู้เหมือนกับพระเจ้าเพเสนที่โกศลอยว่าเนี่ยคดีความต่างๆที่มีในศาลเนี่ยก็เพราะคนพูดปดคนประพฤผิดในกาลก็เพราะไอ้เรื่องเนี้ยเป็นเหตุเท่านั้นเองใช่ค่ะถ้าจังคะงั้นในส่วนหลักการของโอวาโอวาถปฏิโมกหรือบางคนเรียกโอวาตปฏิโมก ซึ่งเขาบอกว่าพระพุทธองค์แสดงในโอกาสที่พระสงฆ์มาประชุมกันในวันจันทรงขส า, านิบาตเนี่ยนะคะ uh huh. ในสมัยนั้นเนี่ยท่านตรัสไว้ถึงเรื่องไม่ทำความชั่วทั้งปวงทําความดีให้สมบูรณ์กับทําจิตของตนให้สะอาดผ่องใสเป็นประเด็นอย่างนี้เลยละคะมีมุมอื่นที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้ไหมคะมีมอันนี้เป็นประเด็นที่จะพูดกันได้ได้สักระยะหนึ่งด้วย <c oughs> เพราะว่าเมื่อเหมือนกับการประชุมสงฆ์ธรรมดาใช่ไหมยอย่างสมมติคุณยมสรสนาตั้งบริษัทขึ้นมาซักบริษัทนึ่งเราจะประชุมพนักงาน ประชุมพนักงานนี่เราจะมีวาระอะไรกลุยกันบ้างนะเอาจร้องมีวาระสักสี่วาร ะ, ะในขณะนั้นก็เหมือนกันพระผู้มีพระภาคเนี่ยเพิ่งประกาศพระสัตธรรมได้กี่เดือนอได้ไม่กี่เดือนยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำเอางั้นประชุมสองดีกว่านะเพื่อที่จะบอกอะไรสักอย่างได้อย่างหนึง่งได้9เดือนค่ะได้สักอย่างใดอย่างหนึง่งข้อมูลตรงเนี้ยการประชุมครั้งนี้จึงมีความสําคัญ เนื้อวะที่เขาถึงจัดให้เป็นความสําคัญทำไมพระพุทธเจ้าถึงจะต้องระบุเรื่องนี้ในการพูดถึงพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆด้วยเพราะมันเป็นการประชุมส่งครั้งใหญ่ออกาอค่ะอ๋ อ, อคือในโอกาสนั้นได้ไดพูดถึงพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆอย่างที่ท่านได้เล่าไปในตอนต้นเลยใช่ใชค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความรู้ที่เราเพิ่มเติมขึ้นมาทีฉ่ฉันก็ไม่ทราบในะครันี้มาก่อนนะคะวันนี้คงจะมีเวลาที่จะสนทนากับท่านอาจารย์เพียงเท่านี้วันพรุ่งนี้เรื่องอื่นๆก็จะหยิบยกเอามาให้ พระภัย บ, บุญอภิปุณโณ น, นะคะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดในช่วงเวลานี้กันอีกในรายการสานสนีสนทนาที่ท่านกลังรับฟังอยู่ในขณะนี้คะ่ะนมั ก, การขอบพระคุณค ท, คท่า น, นค่ะอจรย์บค่ะแล้วก็คงจะต้องบอกท่านผู้ฟังนะคะถ้าท่านมีคำถามของตัวท่านเองก็ติดต่อไปที่เว็บไซต์ w w w วรม p u r e d h a m m a นะคะดอทคอมหรือว่าจะโทรศัพท์มาที่ 022690006ที่สถานีวิทยุเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเบอร์เดียวกันกับที่เรากำลังแจกหนังสืออาณาปานสติโดยพระตถาคตนะคะวันละหนึ่งเล่มให้กับผู้ที่โทรเข้ามาก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะเพราะวกวันนี้ใช้เวลาเต็มที่แล้วพุทธวสวัสดีคะ่ะ